กละบมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสตรออยเฟมร้อยหกขปชาพระมหาภัยบุญอาพี่ปุณโ น, โนมานำเรื่องราวที่เป็นในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เปิดเผยเอาไว้ชี้แจงแถลงการทำความจำแจ้งในเรื่องของผ่านทางบทสนทนาบ้างผ่านทางคำอุทานคากล่าวใดๆของท่านบ้าง น, นี้เป็นที่เป็นพุทธพจน์ก็มีแล้วก็มีที่เป็นคําของท่านพระสารีบุตรบ้างท่านพระมหาโมคลานาบ้างที่เป็นสาวกที่มีความรู้ความสามารถในการอธิบายคําสอนต่างๆบอกเรื่องราวต่างๆเอาไว้เป็นประสูต์เป็นเรื่องราวนี้หมายทำฝังได้ฟังกันโดยท่านผู้ฟังถ้ามีคําถามหรือว่าข้อเสนอแนะใดๆที่ต้องการจะติดตอ่อกับทางรายการก็สามารถ เขียนเป็นจดหมายหรือว่าปริณียบัตรได้โดยส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่หนึ่งหมู่แปดตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่เพียวธรรมะ .com p u i e d h a m m a. com เรื่องราวที่ข้าพเจ้าจะนำมาให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้ก็เป็นนิทานธรรมบทเป็นเรื่องของพิกษุ รูปหนึ่งธรรมบุฟังที่ไปด่าพระอาหารหันต์ในชาตินั้นท่านก็เป็นพระเหมือนกันล่ะไม่รู้ว่าภิกษุรูปนั้นเป็นพระอาหารหันต์ไปด่าว่าไม่ดีสุดท้ายได้รับกรรมอย่างหนักะเกิดมาในสมัยต่อต่ อ, ตอมาก็ต้องมากินอุจจาระธรรมบุฟังอยู่แบบอันตคัดขัดสนแต่ว่าสุดท้ายด้วยบุญกรรมที่ได้สั่งสมเอาไว้เป็นส่วนที่ดีก็มี และก็สามารถแต่ไม่บรรลุธรรมาได้เป็นเรื่องของอาชีวกชื่ออำพุกกะนั่คือไปหลังบวชเป็นภิกษุอาชีวก ok นี่ก็เป็นลักษณะของนักบวชประเภทหนึ่งที่มีอยู่ในประเทศอินเดียเรียกว่าอาชีวกะเป็นผู้ที่ออกจากเรือนไม่เกี่ยวขอ้องด้วยเรือนเหมือนกันผู้นี้เป็นอาชีวกะแต่ว่าสุดท้ายได้มาบวชในทางคำสอนของพระพุทธเจ้ามาฟังเรื่องราวของอาชีวกะชื่อจำพุกกะกัน พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงปรารบจำผู้กาชีวกะประพระธรรมเทศนานี้ว่ามาเสมาเสกุสักเคนะภาโลพุนเชธาโภชนังนะโสสังคาตะธรร ม, มานังกะลังอัคติโสละสิงแปลว่า คนพานพึงบริโภคโภชนะด้วยปลายยาคาทุกๆุกเดือนเขาย่อมไม่ถึงเซี่ยวที่สิบกแห่งท่านผู้มีธรรมอ น, นับได้แล้วได้ยินว่าในการแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะในอดีตการกุดุมพีชาบ้านคนหนึ่งสร้างวิหารถวายแกพระเถระรูปหนึ่งแล้ว บรมงคพระเทระอยู่ในวิหารนั้นด้วยปัจจัยสี่พระเทระฉันในเรือนของกุฎุมพีนั้นเป็นนิดครั้งนั้นภิกสุ ข, ขีนาศบรูปหนึ่งเที่ยวบินาบาตในกลางวันถึงประตูเรือนของกุฎุมพีนั้นกุฎุมพีเห็นพระขีนาศนั้นแล้วเลื่อมใสในอิริยบทของท่านนิมนต์ให้เข้าไปสู่เรือน อังคาดคือถวายอาหารด้วยโภชนะอันประนีตดโดยเคารพถวายผ้าสาดกผืนใหญ่ด้วยเรียนว่าท่านผู้เจริญท่านพึงย้อมผ้าสาดกนี้นุ่งเถิดดัน่นนี้แล้วก็เรียนอีกว่าท่านผู้เจริญผมของท่านยาวกระผมจะนำช่างกรระบบคือช่างตัดผมมา เพื่อประโยชน์แก่อันปรงผมของท่านจากให้จัดเตียงมาเพื่อประโยชน์แก่การนอนภิกษุผู้ฉันอยู่ในเรือนเป็นนิดคือภิกษุกุลุปะกะเห็นสักการะของพระกีนาศพนั้นแล้วไม่อาจยังจิตให้เลื่อมใสได้คิดว่ากุลุมพีผู้นี้ทำสักการะนั้นเห็นป่า น, นี้แก่ภิกษุผู้ที่ตนเห็นแล้วครู่เดียว ไม่ทําแก่เราผู้ที่เป็นภิกษุกุลุกปะกะคือภิกษุผู้ฉันอยู่ในเรือนเป็นนิดฐ์ดังนี้แล้วจึงได้ไปสู่พิหารแม้ภิกษุกีนาศบนอกนี้ก็ไปกับภิกษุเจ้าทินั้นด้วยภิกษุที่เป็นนาคันตุกะที่เป็นกีนาศบนั้นย้อมผ้าสาดกที่กุฎุมีถวายนุ่งแล้วแม้กุฎุมี ก็พาช่างกระบกไปให้ปรงผมของพระเทระให้คนลาดเตียงไว้แล้วเรียนเิญว่าท่านผู้เจริญขอท่านจงนอนบนเตียงนี้แหละและกุดุมปีนั้นก็นิมนต์พระเทระทั้งสองรูปเพื่อฉันในวันรุ่งขึ้นก็ได้หลีกไปฝ่ายภิกษุเจ้าถิน่นผู้ที่เป็นภิกษุกุลุปกะคือภิกษุ ผู้ฉันอยู่ในเรือนของกุดุมพีนั้นเป็นนิดไม่อาจอดกลั้นสักการะที่กุดุมพีทําแก่พระขี่นาศพนั้นได้ตอนดาพระอรหันด้วยอาการสี่มีโทษขณะในเวลาเย็นเธอได้ไปสู่ที่พระเถระนั้นนอนแล้วดาด้วยอาการสี่อย่างดังนี้ว่าอากันตุกะผู้มีอายุ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 ที่กุดุมปีนำมาดังนี้แล้วฝ่ายพระเถระที่เป็นกีณาศพนั้นคิดว่าคนผ่านนี้อย่าได้ชิบหายเพราะอาศัยเราเลยดังนี้แล้วก็ไม่เอื้อเฟือถึงการนิมนต์ลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ได้ไปตามสบายแล้วฝ่ายภิกษุเจ้าถิ่นทำวัดที่ควรทำในวิหารแต่เช้าตรู่แล้ว เระหระคังด้วยหลังเล็บเท่านั้นด้วยสําคัญว่าเวลานี้เป็นเวลาเที่ยวพิคษาแม้ในบัดนี้ภิกษุอา ก, การตุการหลับอยู่เธอพึงตื่นด้วยเสียงระคังดังนี้แล้วตัวเองก็ได้เข้าไปสู่ในหมู่บ้านเพื่อบินบาบแม้กุดุมพีนั้นทําส ก, การะแล้วและดูทางมาของพระเทระทั้งสองเห็นภิกษุ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 จะกล่าวคำอะไรอะไรแน่นอนเพราะเห็นเราทำส ก, การะแก่ท่านและเพราะความที่กุดุมบีนั้นเป็นบัณฑิตจึงได้นิมนต์ให้ภิกษุฉันโดยกรบล้างบาทของท่านให้ดีแล้วเติมด้วยโภชนะมีรถเลิ่ต่างๆแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญถ้าท่านพึงเห็นพระเถระผู้เป็นเจ้าของกระผมท่านพึงสบายบินตบาทนี้ แกพระผู้เป็นเจ้านั้นภิกษุเจ้าถิ่นนั้นพอรับบินดาบาดก็จึงมีความคิดว่าถ้าภิกษุผู้นั้นจะบริโภคบินดาบาดเห็นป่านนี้ใายเธอก็จะคล้องอยู่ในที่นี้เท่านั้นภิกษุเจ้าถิ่นจึงได้ทิ้งบินดาบาดนั้นในระหว่างทางไปสู่ที่อยู่ของพระเทระและดูพระเทระนั้นในที่นั้นไม่ได้เห็นแล้ว ดิณัสมณธรรมแม้ที่เธอทำไว้สิ้นสองห0ปีก็ไม่อาจรักษาเธอได้เพราะเธอทำกรรมประมาณเท่านี้ในการสิ้นอายุเธอเกิดในอเวจีเวยทุก์เป็นอันมากสิ้นพุทธันดอนหนึ่งในพุทธุประบาทการนี้เกิดในเรือนแห่งตระกูลซึ่งมีข้าวและน้ำมากแห่งหนึ่งในพระนครราชกฤห์ ตอนโทษของการด่าพระรันจำเดิมแต่การที่เดินได้ด้วยเท้าเขาไม่ปรารถนาเพื่อจะนอนบนที่นอนดีเดียวไม่ปรารถนาเพื่อจะบริโภคพัดเกี้ยวกินแต่อุจระของตนเท่านั้นมารดาบิดาเลี้ยงต่โรคนั้นด้วยสำคัญว่าเด็กไม่รู้เพราะยังอ่อนจึงได้ทำไปแม้ในเวลาที่เป็นผู้ใหญ่ เขาก็ไม่ปรารถนาเพื่อจะนุ่งผ้าเป็นผู้เปลือยกายเที่ยวไปนอนบนแผ่นดินเกี่ยวกินอุจระของตนเท่านั้นลำดับนั้นมารดาและบิดาของเขาคิดว่าเด็กนี้ไม่สมควรแก่เรือนแห่งสกุลเด็กนี้สมควรแก่พวกอาชีวะกะนังนนี้แล้วจึงนำไปสู่สำนักของอาชีวกเหล่านั้นได้มอบให้ด้วยคาว่า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 กรังนั้นอาชีวกทั้งหลายได้ละเขาผู้กล่าวแล้วแล้วเล่าเซึ่งไม่ปรถนาอยู่ไปแล้วฝ่ายเขาทราบความที่อาชีวกเหล่านั้นไปแล้วเปิดประตูห้องน้ำลงไปกินอุจจาระพันให้เป็นครรมด้วยมือทั้งสองพวกอาชีวกทรงอาหารไปจากภายในบ้านเพื่อเขา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 พวกเราจะจับผิดเขาเนี่ยนี่แล้วเมื่อเข้าไปสู่ในหมู่บ้านเว้นคนไว้หนึ่งสองคนเพื่อจับผิดซึ่งอาชีวกนั้นแล้วจึงไปอาชีวะกะที่อยู่คอยจับผิดเป็นราวกับไปข้างหลังซ่อนอยู่แล้วแม้เขารู้ความที่อาชีวกเหล่านั้นไปแล้วจึงลงสู่ห้องส้วมกินอุจจระ โดยในยักษก่อนนั่นแหละพวกอาชีวกคนอื่นที่คอยเฝ้าดูอยู่เห็นกิริยาของเขาแล้วจึงบอกแก่อาชีวกทั้งหลายพวกอาชีวกฟังคำนั้นแล้วคิดว่าโอ้กำนักถ้าสาวกของพระสมณโคดมพึงรู้ใช้พึงประกาศความเสื่อมเกียรติของพวกเราว่าอาชีวกทั้งหลายเที่ยวกินอุจระอาชีวกนี้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 เขาไปในที่นั้นกินคูดค อ, อุจระในตอนกลางคืนและในการที่มหาชนมาเพื่อต้องการถ่ายอุจระเนี่ยก้อนหินข้างหนึ่งด้วยมือข้างหนึ่งยกเท้าข้างหนึ่งตั้งไว้บนเขา่ายืนเงยหน้าอ้าปากอยู่มหาชนเห็นเขาแล้วเข้าไปหาไหว้แล้วถามว่าท่านผู้เจริญเพราะเหตุไร รพระผู้เป็นเจ้าจึงยืนอ้าปากอาชิวกเพราะเรามีลมเป็นปากษาอาหารอย่างอื่นของเราไม่มีมหาชนก็เมื่อเช่นั้นเพราะเหตุไรท่านจึงยกเทา้าข้างหนึ่งตั้งไว้บนเขา่ายืนอยู่เล่ากรับอาชีวกเรามีตบ่าสูงมีตบ่ากล้าแผ่นดินถูกเราเหยียบด้วยเท้าทั้งสองย่อมหวั่นไหวเพราะฉะนั้น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 ชื่อแม้เห็นปานนั้นมีอยู่ผู้เช่นนี้พวกเราอย่างไม่เคยเห็นดังนี้แล้วก็ย่อมนำสักการะไปเป็นอันมากทุกๆุกเดือนอาชีวกนั้นกล่าวว่าเรากินลมอย่างเดียวไม่กินอาหารอย่างอื่นเพราะเมื่อเรากินอาหารอย่างอื่นตะบะย่อมเสื่อมไปดังนี้แล้วไม่ปรารถนาของอะไรอะไรที่พวกมนุษย์ เหล่า น, นั้นนํามาพวกมนุษย์อ้อนวอนบ่อยๆว่าท่านผู้เจริญท่านอย่าให้พวกกระผมชิบหายเลยการบริโภคอันคนมีตะ巴กล้าเช่นท่านกระทําแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่พวกกระผมเส้นกาลนานอาชีวกนั้นจึงกล่าวว่าเรานั้นไม่ชอบใจอาหารอย่างอื่นแต่ถูกมหาชนรบกวน ด้วยการอ้อนวอนจึงวางเพสัตมีในไสและน้ำอ้อยเป็นต้นอันชนเหล่านั้นนำมาที่ปลายลิ้นด้วยปลายยาคาแล้วส่งไปด้วยคำว่าพวกท่านจงไปเถิดเท่านี้พอละเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านทั้งหลายอาชีวกนั้นเป็นคนเปลือยเขียวกินอุจระทอนผมนอนบนแผ่นดิน ให้การล่วงไปห5ห้าปีด้วยประการชนี้ตอนพระพุทธเจ้าเสด็จไปโบรดช่ำผู้กาชีวกการตรวจดูสัตว์โลกในเวลาใกล้รุ่งเป็นพุทธกิจแม้อันพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ทรงล้าโดยแต่เพราะฉะนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้ า, าทรงพิจารณาดูสัตว์โลก ในเวลาใกล้รุ่งวันหนึ่งชัมพูกาชีบกนี้ปรากฏในค่ายคือพระญาณแล้วพระศาสดาส่งใคร่ขร ว, ว่าอะไรหนอแลจะมีทรงเห็นอุปนิสัยแห่งพระอารหัตพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาของเขาแล้วทรงทราบว่าเราจะทำชัมพูกาชีบกนั้นให้เป็นต้นแล้ว กล่าวคาถาคาถาหนึ่งในการจบคาถาสัตบ์แปดหันจะตรัสสรู้ธรรมอาศัยกุลบุตรนี้มหาชนจักถึงความสวัสดีดังนี้แล้วในวันรุ่งขึ้นก็เสด็จเที่ยวไปในกรุงราชฤกฤเพื่อบินาบาบเเด็จกลับจากบินาบาทแล้วตรัสกับพระอนุน์เทรว่าอ น, อนนต์ เราจะไปสู่สำนักของชัมภูกาชีวกตํณฑานนท์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์เท่านั้นจะไปหรือพระโชกาา่าพระศาสดาอย่างนั้นเราจะไปผู้เดียวพระศาสดาครันตรัตอย่างนั้นแล้วในเวลาบ่ายเสด็จไปสู่สำนักของชัมผูกาชีวกนั้นเตวดาทั้งหลายคิดว่า รัศาสดาจะเสด็จไปสู่สำนักของชัมพุกาชีวกในเวลาเย็นก็ชัมพุกาชีวกนั้นอยู่บนหินดานน่าเกลียดเป็นที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะเศร้าหมองด้วยไม้ชมาะฟันพวกเราควรให้ฝนตกดังนี้แล้วจึงยังฝนให้ตกครู่เดียวเท่านั้นด้วยหนุภาพของตนหินดานได้สะอาดปราศจากมลินแล้ว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 เรียกเราด้วยวาทะว่าชัมพุกะจึงได้กล่าวขึ้นว่านั่นใครพระศัสดาเราเองชัมพุกะชัมพุกะมาทําไมท่านมหาสมณะพระศัสดาวันนี้เธอให้ที่อยู่ในที่นี้แก่เราสักคืนหนึ่งชัมพุกะท่านมหาสมณะที่อยู่ในที่นี้ไม่มีพระศัสดาชัมพุกะ เธออย่าทำอย่างนั้นเธอจงให้ที่อยู่แก่เราสักคืนหนึ่งชื่อว่าพวกบรรพชิตย่อมเข้ากันได้กับบรรพชิตพวกมนุษย์ย่อมเข้ากันได้กับมนุษย์พวกประสุสัตว์ย่อมเข้ากันได้กับพวกประสุสัตวะจมพุกะก็ท่านเป็นบนรรพชิตหรอกหรือพระศาสดาใช่แล้วเราเป็นบนรรพชิตจมพุกะก็ถ้าท่านเป็นบนรรพชิตน้ำเต้าของท่านอยู่ที่ไหน ทัพพีสาหรับโบควันของท่านอยู่ที่ไหนได้สําหรับบูชายันของท่านอยู่ที่ไหนพระศัสดาน้ําเต้าเป็นต้นนั้นของเรามีอยู่แต่การถือเอาเป็นแผนกแผนกเที่ยวไปลําบากเพราะฉะนั้นเราจึงเก็บไว้ในภายในเท่านั้นแล้วเที่ยวไปอาชิวกนั้นโกรธว่าท่านจะไม่ถือน้ําเต้าเป็นต้นนั้นเที่ยวไปได้หรือ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 ชมปุกะที่เงื้อมนั้นไม่มีใครอยู่พระศาสดาถ้าฉะนั้นเธอจงให้เงื้อมนั้นแก่เราชมพุกะท่านจงรู้เองเถิดพระศาสดาทรงนำผ้าปูนั่งมาปูแล้วประทับนั่งที่เงื้อมนั้นตอนชมพุกาฉีบ่บกได้บรรลุพระอาหารหัสต์กระนั้นท้ามหาราชทั้งสี่ ทำทิศ ท, ทั้งสี่ให้มีความสว่างสวยัยมาสู่ที่บำรุงพระผู้มีพระภาคเจ้าในปตมมยามชัมพุกะเห็นแสงสว่างแล้วคิดว่านั่นคือแสงสว่างอะไรกันก็ในมชิมยามเท้าสั ก, กะเทวราชเสด็จมาแล้วชัมพุกะเห็นแม้เท้าสั ก, กะเทวราชนั้นก็คิดว่า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 เห็นดาวหมาบรมนั้นแล้วก็คิดว่านั่นใครหนอแหล่หนังนี้แล้วจึงไปสู่สำนักของพระศ า, ศาสดาแต่เช้าตรู่ทำการปฏิสันต์แล้วยืนนัที่ขวรข้างหนึ่งทูลถามพระศาสดาว่าท่านมหาสมณครยังทิศทั้งสี่ให้สว่างมาสู่สำนักของท่านในปฐมยามพระศาสดา นั่นคือท้าวมาราชทั้งสี่ชัมบุกะเขามาเพราะเหตุไรเขามาเพื่อบำรุงเราก็ท่านเป็นผู้ยอดเยี่ยมกว่าท้าวมาราชทั้งสี่อย่างนั้นหรือถูกแล้วชัมพุกะเราแลเป็นพระราชายอดเยี่ยมกว่าพระราชาทั้งหลายก็แล้วในมัชชิมยามใครมาเล่าท้าวสกัดเทวราชเขามาเพราะเหตุไร ก็มาเพื่อบำรุงเราเหมือนกันก็ท่านเป็นผู้ยอดเยี่ยมกว่าเท้าสกตะเทวราช ห, หรือถูกแล้วชมพูกะเราเป็นผู้ยอดเยี่ยมแม้กว่าเท้าสักกะก็เท้าสกตะนั้นเป็นกีฬานุปตาของเราเช่นเดียวกับสามเณรผู้เป็นกปัปยาการ ก, ก็แล้วใครยังป่าทั้งสิ้นให้สว่างมาแล้วในปจิมมยามชมพูกะ อาศัยคนผู้ใดจนทั้งหลายมีพรามเป็นต้นในโลกจามแล้วพลาดพรั้งแล้วย่อมกล่าวว่าขอความนอบน้อมจงมีแกมหาพรหมผู้นั้นแหละเป็นเท้าหมหาบรหมก็ท่านเป็นยอดเยี่ยมแม้กว่าเท้าหมหาพรมหรือถูกแล้วัมพูกะเราแลเป็นพรมยิ่งแม้กว่าบรมท่านหมหาสมณนะ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 แม้ในบัด น, นี้เธอยังถือทิฏฐิอันชั่วช้าลามกเหมือนเดิมชัมพุกะท่านมหาส ม, มณะก็ข้าพระเจ้าทำกรรมอะไรไว้ลำดั บ, บนั้นพระาศาสดาตรัสบอกกรรมที่เขากระทำแล้วในก่อนแกชัมพุกะนั้นเมื่อพระาศาสดาตรัสอยู่นั่นแลความสังเวชเกิดขึ้นแก่เขาแล้ว ฮิริโอตปะปรากฏขึ้นเขานั่งกระโยงแล้วลำดับนั้นพระาศาสดาได้ทรงโยนผ้าสาดกสสำหรับอาบน้ำไปให้เขาเขานุ่งผ้านั้นแล้วถวายบังคมพระาศาสดานั่งนะที่กวนข้างหนึ่งฝ่ายพระาศาสดาตรัสอนุบุปีกถาแสดงธรรมแก่เขา ในการจบเทสนาเขาบรรลุพระอราชเราด้วยปฏิสัมพิทาถวายบังคมพระาศาสดาแล้วลุกขึ้นจากที่นั่งทูลขอบรรพชาอุปสมบทด้วยอาการเป็เท่านี้กรรมในก่อนของชัม่มผูกะนั้นสิ้นแล้วก็ชัม่มผูกะนี้ดาพระมหาเถระผู้ขี่นาศบด้วยถ้อยคำหยาบคาย คืออักโกสวัตุสี่อย่างไม่แล้วในอเวจี G, ตราบเท่ามหาปฏิปีนี้นาขึ้นหนึ่งโยตยิ่งด้วยสามกาวุธถึงอาการอันหน่าเกลียดนี้สิ้นห้าสิบห้าปีด้วยเศษแห่งผลของกรรมในเพราะการด่านั้นกรรมนั้นของเธอสิ้นแล้วเพราะบรรุพระอระหันต์นั้นกรรมที่เธอทาแล้วนั้น ไม่อาจยังผลแห่งสมณธรรมที่ชัมผูกกาชีวกนี้ทำแล้วสิ้นสองหมื่นปีให้ชีบหายได้เพราะฉะนั้นพระสัส ด, สดาจึงทรงเหยียดพระหัต์เรื่องขวาออกตราดกับชัมผูกกานั้นว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดจงประพฤติปรมจันเถิดขนาดนั้นเองเพศครือหัตของเธอหายไปแล้ว เธอเป็นผู้ส่งบริการ8ดได้เป็นประดุษพระเถระมีพรรษาหกสแล้วตอนชัมพุกะบอกความจริงแกมหาชนได้ยินว่าวันนั้นเป็นวันที่ชาวอังคะและมกฏได้ถือสการะมาเพื่อชัมพุกะนั้นเพราะฉะนั้นชาวแว่นแกนทั้งสองถือสการะมาแล้ว เห็นพระตถาคตแล้วจึงคิดว่าชัมพูกาผู้เป็นเจ้าของพวกเราเป็นใหญ่หรือน้อยแลหรือว่าพระสมณโคดมเป็นใหญ่เขาได้คิดว่าถ้าพระสมณโคดมพึงเป็นใหญ่ชัมพูกานี้พึงไปสู่สำนักของพระสมณโคดมแต่เพราะความที่ชัมพูกาชีวกเป็นใหญ่พระสมณโคดมจึงเสด็จมาสู่สำนัก ของชัมพุกาชีวกนี้พระสัสดาส่งทราบความปริพิตกของมหาชนจึงตรัสกินว่าชัมพุกาเธอจงตัดความสงสัยของพวกอุปทากของเธอเสียะเธอจึงได้กราบทูลว่าแม้ข้าพระองค์ก็หวังพระพุทธตํรมรัตมีประมาณเท่านี้เหมือนกันพระเจ้าคาเหนืนี้แล้ว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 ที่พวกท่านนำมาแล้วที่ปลายลิ้นด้วยปลายยาคาตลอดการประมาณเท่านี้อยู่ในที่นี้ด้วยหวังว่าเราบำเพ็ญการประพฤติบะถ้าเธอบำเพ็ญการประพฤติบะสิ้น100่งร้อยปีด้วยบ่ายนี้ไซก็การบำเพ็ญบะนั้นยังไม่ถึงเสี้ยวแม้ที่16แห่งกุศลเจตนาเป็นเรื่องตัดพัด ของเธอผู้รังเกียร์สกุลในพัทและไม่บริโภคในบัดนี้เดือนนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอรนุษ่วนที่แสดงธรรมจึงได้ตรัสพระ ก, รกานิว่าคนผานพึงบริโภคโภชนะด้วยปลายยาคาทุกๆุกเดือนเขาย่อมไม่ได้รับผลแห่งการปฏิบัติมีค่าถึงเซี่ยวที่สิบกแห่งท่านผู้มีธรรม อันนับได้แล้วมาเสมาเสกุสักเคนะพาโลปุญเจตะโภชน่งนะโสสังคาตะธรรมมานังกํลลังอักคติโสละสิงในการจบเทศนาธรรมพิสมัยได้มีแล้วแกสัตว์ 84,000 ่น่นนะที่นั่นเองเรื่องจำผู้กาชีวก